ที่ชื่อว่าหน้าวาระแวงคือในหนทางนั้นปรากฏที่อยู่ปรากฏที่กินปรากฏที่ยืนปรากฏที่นั่งปรากฏที่นอนของพวกโจรที่ชื่อว่ามีภัยหน้ากลัวคือในหนทางนั้นปรากฏมีคนทั้งหลายถูกพวกโจรฆ่าปรากฏมีคนถูกล้นปรากฏมีคนถูกทุบตีที่ชื่อว่าไม่มีกองเกวียนเป็นเพื่อนคือเว้นกองเกวียนคาว่าเที่ยวจาริกไปคือ เที่ยวจาริกไปในหมู่บ้านมีกำหนดระยะชั่วไก่บินตกต้องอบัดปาจิตีทุกๆละแวกหมู่บ้านเที่ยวจาริกไปในป่าไม่มีหมู่บ้านต้องอบัตปาจิตีทุกๆคกขงโยช